50 languages. 23. i r u b t i m u n d e การเรียนภาษาต่างชาติ Ayel naat modikal k a t p a d i คุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะน்่งกังกกล Spanish modi yeng katru k o n d i ர ் k a l คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะนิ่งกัลโปร u ุเกสมลัลยิมพูดเสียงดีรกึกันะค่ะและดิฉันก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยคะ่ะนอ๋อนันสิร์ดุอิตาเลียนมลัลยิคูดะพูดเสียงดีดิฉันคิดว่าคุณพูดได้ดีมากนิ่งกัลมิกำมุมนันร้อห์กพูดเสียงดีรึก ภาษาค่อนข้างคล้ายกันมากอินด้าโมดิกล์ย่ำล่ำโอเร่มาดริยาห์กบดิฉันเข้าใจภาษามันได้ดี எனக்கு இவை ந ன ் ற ா க ப ้าพูดขีดแต่การพูดและการเขียนมันยากอนอลพอดีปดุงยืดดูบดุงคดินำดิฉันยังพูดและเขียนผิดอีกมาก นอนยิปป் ப ொ ழ ு த ு க ด ட เนรัย த ็ตับผุดขึ้นบดีขึ้นเทุกครั้งโปรโดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะได้ยินว่าเ ன ் த வ เு็ ள ை உ ட ன ว க ร க ு ட ลยอุดுน் த ு ங ் க ด்ติรตึงกการออกเสียงของคุณดีมากุงกอ்วุ่นชิริปมิคบุ้มนันร้อคบุลลัคุณมีสำเนียงนิดหน่อย คุณก๊กคนจําแอ็กเซนต์ இருக்கிறது คนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหน நீங்கள் எந்த நாட்டவர் என்று தெரிந்து விடுகிறது ภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไรคะคุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าคะ คุณใช้หนังสือเรียนเล่มไหนคะீ ங ่ க ள ் எந்த புத்தகம் உபயோகிக்கிறீர்கள் ตอนนี้ดิฉันจำชื่อไม่ได้ค่ะ எனக்கு இ ப ் ப ொดு த ு அதன் பெயர் ஞ ா ப க ம บกมิลดิฉันนึกชื่อหนังสือไม่ออกค่ะ อดนเพย ய ร์ எனக்கு ค ந ் த ินดีสมัย க ம ் வ ர வ ிม்รை่าดิฉันลืมไปแล้วค่ะ எனக்கு ค ற ந มรு வ วิ் ட ดு